จเจริพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมผู้ใจบุญทุกๆ ท, ท, ท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่9ก้ากุณาพันธ์พุทธศักราช2552รองตรงกับวันขึ้น15้าค่ำเดือนสา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันแรกของปี2552นี้เรียกว่าวันมาคบูชาวันมาคะบูชาถ้าแปลาตามตัวหนังสือก็แปลว่าวันบูชาในเดือนมาคะเดือนสามในสมัยพุทธกาลนี้มีชื่อว่ามาคะ มาค้า บ, บูชาจึงเป็นแปลว่าการบูชาในในเดือนสมนี้เองในวันเพ็ญเดือนสทํทำไมเราจึงต้องมีมาค้า บ, บูชาเพราะในวันนี้เมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้วตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆ ห, หลังจาก ที่ตัดสรุในวันเพ็ญเดือนหกแล้วได้ทรงสวยวิมุตติสุขอยู่ตามลำพังอยู่สองเดือนพอถึงวันเพนญเดือนแปดก็ทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกให้แก่พระปัญจวคีผู้ที่เคยติดสอยห้อยตามอุปธรรมอุปถา พ, พระพุทธเจ้ามา ตอนนั้นเป็นการสอนเพราะทำคำสอนให้แก่สาโลกเป็นครั้งแรกและปรากฏมีผู้บรรลุทำขึ้นมาทันทีคือพระอัญญาณโกมตัญญะหลังจากนั้นก็ทรงประกาศสอนไปเรื่อยๆก็มีผู้ได้ยินได้ฟังน้อมนำเอาไปประพฤติปฏิบัติจนทำจิตใจของตนเองให้หลุดพ้นจากความทุกข์ จากการเวียนว่ายตายเกิดมีเป็นจำนวนมากผู้บุคคลเหล่านี้เราเรียกท่านว่าพระอาหารหันต์เพราะท่านเป็นผู้ที่ได้ชำระจิตใจข อ, ของท่านให้สะอาดหมดจดบริสุทธิ์ได้ด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้าพอถึงวันเพ็ญเดือนสาก็มีปรากฏการณ์ที่ไม่มีใครได้กำหนด ไว้คือพระอาหารหันต์ร1250รูปได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันมาก่อนมาด้วยความเคารพด้วยความซาบซึ้งในพระคุณอันต่อเสดิฐของพระพุทธเจ้าที่ได้ช่วยให้เขาได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายถ้าเปรียบเทียบทาง ร่างกายพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนหมอที่ได้ค้นพบยาวิเศษเช่นยารักษาโรคมะเร็งแล้วนำเอาอยานี้ไปรักษาโรคมะเร็งให้แก่คนไข้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งจนหายขาดมีสุขภาพเป็นปกติไม่ต้องตายไปในเวลาอันใกล้ บุคคลเหล่านี้ที่ได้รับการรักษาจากพระพุทธเจ้าให้หายจากโรคมาเร็ง น, นี้แล้วก็มีความซาบซึ้งในพระคุณของพระพุทธเจ้ายิงอยากจะมากราบพระพุทธเจ้าเพื่อแสดงความประทัญยูกตัตเวทีแสดงความนอบน้อมคารพบูชาในพระพุทธเจ้านี่ก็คือเรื่องของพระอรหันต 1,250 รูปที่ได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญเดือนสานเช่นวันนี้แต่เมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้วเพราะไม่มีใครที่จะสามารถรักษาใจของตนเองให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ต้องมีคนอย่างพระพุทธเจ้ามาตัดสรุป มาเผยแผ่วิธีที่จะทำให้จิตใจของสัตว์โลกนั้นสะอาดปราศจากความโลภความโกรธความหลงที่เป็นเหตุที่ทำให้สัตว์โลกต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆมาเป็นเวลาอันยาวนานและจะเป็นไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าสัตว์โลกจะได้พบกับ คำสอนของพ่อพระพุทธเจ้าแล้วนำเอามาปฏิบัติกับตนเองก็เป็นเหมือนกับคนที่เป็นโรคมะเร็งที่ไม่มีใครรู้วิธีรักษาโรคนี้ได้แม้แต่ในปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีวิธีรักษาได้ถ้าใครคนหนึ่งเกิดรู้จากวิธีรักษาโรคมะเร็งนี้ให้หายขาดได้คนนั้นจะเป็นคนที่ ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้เลยก็ว่าได้จะมีนคนกราบไหว้บูชาอย่างมากมายก่ายกองแต่นี่เป็นเพียงเรื่องของร่างกายเรื่องของร่างกายถึงแม้ว่าเราจะรักษาให้หายจากโรคบเร็งไปได้ก็ตามแต่โรคชรามันก็ยังไม่มีใครที่จะรักษาได้ในที่สุดก็จะต้องตายด้วยความแก่นี่เองคนเราทุกคนเกิดมาแล้ว ต้องแก่ต้องตายด้วยกันทุกคนแต่ใจนี้สิมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายพอร่างกายนี้ตายแล้วใจต้องไปใช้เวรใช้กรรมไปสวยบุญต่อขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่ได้ทำไว้ต้องไปเกิดใหม่อีกแล้วก็ต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายใหม่อีกเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่เป็นเรื่องของโลกทางด้านจิตใจ เ, เรียกว่าทุกข์นีย ทุกที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายจากการพลาดพลาดจากกันและกันซึ่งไม่มีสัตว์โลกตัวใดสามารถรักษาโรคที่ให้หายได้เลยมีคนเดียวเท่านั้นที่จะรักษาได้ด้วยตนเองก็คือพระพุทธเจ้านี่เองซึ่งนานๆจะปรากฏมีพระพุทธเจ้ามาสัตย์ครั้งหนึ่ง ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาปรากฏในโลกนี้แล้วนำเอาพระธรรมคำสอนอันประเสริฐนี้มาสั่งสอนให้แก่สารโลกนำเอาไปปฏิบัติจนหล็ดพ้นปรากฏเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาถึง1250รูปนี้ก่อนหน้านี้ไม่มีใครสามารถทำให้ตนเองเป็นพระอาหารหันต์ได้เลย ทำให้ตนเองหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เลยเป็นเวลาเป็นกลับเป็นการเลยช่วงนั้นไม่มีใครรู้วิธีว่าจะทําอย่างไรจะทําให้ตนเองนั้นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่พอมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวมาตรัสรู้ค้นพบวิธีที่จะทําให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ พอนำเอาวิธีนี้มาสั่งสอนให้แก่ผู้อื่นผู้อื่นก็สามารถปฏิบัติตามและหลุดพ้นจากความทุกข์ไปได้อย่างรวดเร็วหายจากโลกทางจิตใจได้อย่างหมดสิ้นเลยใจของผู้ที่บรรลุเป็นพระอรหันตานี้จะไม่ทุกกับเรื่องอะไรจะไม่เหมือนกับพวกเราที่ยังทุกข์กับเรื่องต่างๆเรื่องร่างกายของเราเราก็ทุกข์ เรื่องร่างกายของคนอื่นเราก็ทุกคนที่เรารับเราก็ห่วงเราก็กังวลเราก็ห่วงเรื่องปากท้องเรื่องกินเรื่องอยู่เราก็ทุกเรื่องแดดลมเรื่องดินฟ้าอากาศเราก็ทุกกันเพราะใจของเรานั้นยังมีกิเลสนี่เองคือความโลภความอยากต่างๆยังไม่รู้ยังไม่รู้ว่าคามโลภความอยากนี้แหละเป็นเชื้อโรคของใจ เป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์กังวลใจไม่รู้จักจบจากสิ้นเรื่องต่างๆที่เราไปทุกข์ไปกังวลด้วยนั้นความจริงเราก็ไปทำอะไรไม่ได้คนที่เรารักเขาจะแก่เขาจะเจ็บเขาจะตายเมื่ อ, อไหรเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้สิ่งที่เรารักเราหวงอยากจะให้อยู่กับเราไปตลอดเราก็ไปบังคับให้มันอยู่กับเราไปตลอดไปได้ถึงเวลามันจะจากเราไปมันก็จากเราไป หรือถึงเวลาเราจะต้องจากมันไปเราก็ต้องจากมันไปความอยากที่จะให้มันอยู่กับเราตลอดเวลาหรือให้มันดีกับเราตลอดเวลานี้เป็นความโง่เขลาเบาปัญญาเป็นความหลงเพราะไม่มองเห็นตามความจริงของสิ่งต่างๆในโลกนี้นั่นเองสิ่งต่างๆในโลกนี้เขามีเขาเป็นอยู่ตามเหตุตามปัจจัยของเขา เขาไม่ได้มีไม่ได้อยู่ตามคำสั่งของเราเขาไม่ได้ทำตามอํานาจความอยากความต้องการของเราเขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเหมือนกับฝนฟ้าอากาศเราไม่สามารถไปควบคุม บ, บังคับให้ฝนหยุดหรือฝนตกหรือให้ภาทิทิศหยุดหรือไม่หยุ ด, ย ด, ย ด, ยดอย่างนี้เราทำไม่ได้สิ่งอื่ น, นในโลกนี้ก็เช่นเดียวกัน ความแก่ความเจ็บความตายเราก็ไปห้ามไม่ได้คนจะอยู่กับเราจะจากเราไปเราก็ห้ามไม่ได้คนจะดีกับเราร้ายกับเราเราก็ห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจเราได้ถ้าเราไม่มีความอยากกับเรื่องเหล่านี้แล้วใจของเราจะไม่เดือดร้อนจะไม่วุ่นวายจะไม่ทุกข์จะไม่กงังวลแต่อย่างใด ใครจะดีก็ให้เขาดีไปใครจะร้ายก็ให้เขาร้ายไปใครจะแก่จะเจ็บจะตายก็ให้เขาเป็นตายตามความเป็นจริงของเราของเขาเพราะเราไปห้ามไม่ได้ถ้าเราห้ามได้พวกเราทุกคนก็ห้าม ก, กันไปหมดแล้วไม่ต้องแก่กันไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายกันคนที่อยู่กับเราดีกับเราตลอดเชื่อฟังเราทำตามคำสั่งของเราตลอดแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้น นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุปรู้วิธีที่จะดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจได้โดยชิ้นเชิงเพียงแต่กำจัดความอยากต่างๆเท่านั้นเองสิ่งอะไรที่เรามีอยู่ก็มีไปอยู่ไปแต่อย่าไปอยากให้เขาอยู่ไปนานๆหรืออยากจะให้เขาดีไปเสมออย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้เขาจะดีก็ดีไป เขาจะเปลี่ยนเป็นไม่ดีก็ให้เขาเปลี่ยนไปเขาจะไปก็ให้เขาไปถ้าเราพร้อมอย่างนี้แล้วใจของเราจะไม่ถูกนี่แหละคือความหมายของวันมาคาบูชาที่นักปราชญ์ในอดีตพยายามจะสื่อให้กับพวกเราเป็นเหมือนป้ายโฆษณาแสดงสินค้าให้เรารู้ว่าสินค้าชนิดนี้ มีคุณมีประโยชน์อย่างไรกับเรานั่นเองสินค้าที่เราพูดถึงนี้ก็คือพระคาพระธรรมคาสอนของพพระพุทธเจ้านี่เองที่ทรงสอนให้เราทําบุญทั้งหลายให้ถึงพรให้เราละบาปทั้งปวงเสียและให้เราชําระใจของเราให้สะอาดบอยสุดกำจัดความโลภโกรธหนงความอยากต่างๆให้มันหมดไป แล้วเราจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขและจะไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปไม่ต้องไปทุกกับการแก่การเจ็บการตายกับการาพัพาดจากสิ่งที่เรารางไปนี่แหละคือสินค้าที่พระพุทธศาสนากำลังจะขายให้กับพวกเราแต่เราไม่ต้องเสียเงินเสียทองที่จะซื้อสินค้าอันนี้ สิ่งที่เราจะต้องมีก็คือศรัทธาความเชื่อเชื่อว่าสินค้าชนิดนี้เป็นสินค้าที่มีประโยชน์ที่สุดกับชีวิตของเราสินค้ายัางอื่นในโลกนี้ไม่มีประโยชน์กับชีวิตของเราและยังมีโทษด้วยเพราะมันทำให้เราต้องทุกข์ต้องเสียอกเสียใจเวลาซื้อของมาใหม่ๆก็ดีใจพอหายไปก็เสียอกเสียใจก็อยากจะได้ใหม่ พอไม่ได้ใหม่ก็ยิ่งเสียอกเสียใจใหญ่นี่แหละคือเรื่องของวันมาคะบูชาอยู่ตรงนี้อยู่ที่ว่าพวกเรานี้เป็นพวกที่มีบุญวาสนาที่ได้มาเกิดมาพบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสินค้าอันตรเสริ์ที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์ไปตลอดอนันตการ ถ้าพวกเราเข้าใจหลักนี้แล้วพวกเราก็จะได้รับประโยชน์เพราะเราจะต้องรีบขวนขวายตักตวงเอาสินค้าชนิดนี้มาเป็นสมบัติของเราทันทีเหมือนกับเวลาเราเห็นเข้อประกาศแจกของว่าวันนี้จะแจกของที่ร้านนี้ใครต้องการก็มาได้เลยไม่มีใครจะชักช้าอย่างแน่นอนต้องรีบไปกัน ดีไม่ดีอาจจะต้องแย่งกันเข้าไปในร้านเบียดเสียดกันเหยียบกันตายก็มีเพราะรู้ว่ามีสินค้าดีแจกฟรีนั่นเองฉันใดพระพุทธศาสนาก็มีสินค้าดีแจกฟรีให้กับพวกเราก็คือพ่อทำคำสอนของพ่ะพุทธเจ้านี้เองที่จะทำให้จิตใจของเรานี้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่ และหลังจากที่ตายไปแล้วไม่มีอะไรจะทําให้กับใจดวงนี้ของเราได้นอกจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เราจึงควรรีบขวนขวายตักตวงนาเอาคําสอนของพระพุทธเจ้านี้มาปฏิบัติอย่างรีบด่วนเพื่อเราจะได้หลุดพ้นจากทุกทั้งหลายอย่างฉับพลันอย่างเรว็ววอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่การทําบุญทั้งหลายให้ถึงพร้อม อยู่ที่การละบาปทั้งปวงเสียอยู่ที่การชำระจิตด้วยการทําบุญให้ทานรักษาศีลและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิเจริญปัญญาทำสามส่วนนี้เท่านั้นแล้วรับรองได้ว่าจิตของเราจะได้พบกับสิ่งที่เลิศประเสริฐมหัศจรรย์ที่ไม่มีอะไรจะเทียบเท่าได้ดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะพอเสด็จเท่าที่จะมีความสุขเหนือกว่าความสุขที่ได้จากการทำจิตใจให้สงบด้วยการทำบุญให้ทานรักษาศีลและปฏิบัติธรรมนี้เองดังนั้นในวันมาฆบูชานี้จึงขอให้ท่านทั้งหลายจงน้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มาปฏิบัต เพื่อเป็นการปฏิบัติบูบชาเพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าไม่มีการบูชาสิ่งใดที่จะเลิศเท่ากับการปฏิบัติบูชาด้วยด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุปฏิปันโนอย่างที่ท่านทั้งหลายได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้ขอให้ท่านทำให้มากยิ่งขึ้นทำให้บ่อยยิ่งขึ้นแล้วรับรองได้ว่าการบูชานี้จะเป็นการบูชา ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งแก่ชีวิตของท่านจะเป็นมงคลอย่างยิ่งจะทำให้ชีวิตจิตใจของท่านนั้นมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขมีแต่ความเจริญโดยถ่ายเดียวจึงขอฝากเรื่องของวันความสำคัญในวันมาคะบูชานี้ให้ท่านได้นำไปพินิตรพิจารณาและปฏิบัติ เพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรยัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลที่ท่านได้มาบเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญ ด้วยอายุวั น, นะสุขะภะโดยทั่วหน้ากันเธอ